เราไม่พอใจอัูข้อนึงเกิอสิษย์ใส่แกโคบแรใส่ไปบนดยอยู่บนดอจากโลกนี้ไปมึนใจปัจจุบันจากดอกขึ้นวาสวรรู่ในอกนระกอยู่ในใจ <c oughs> มันห่อนมันใหม่มันแสบมันเผาโดยราคาตั้นหาโดยอวิชาอุปราชาจะไปนรก มันสุขมันสบายมันสว่างสบายใจมันเป็นอัดเป็นถ้ำจบ <c oughs> ไปสวรรค์เบิงหมดอื่นดอกเอาัานนะ่ะ ก็ปีหอกมันเคยอยู่บนอื่นมาหลายห ล, ลายปีนี่หอกอยู่หลายปีพวกพวมาส่วนสุนวหายดาาาดาได้กุณเข่าร่นเข่ารุดบนหลัิเหตุยังไงแล้วหยุดไปไปทไปนนี่บ้านไปเอะยังไงมันสิได้ใส่แรงใส่ง่ายือเชอาไปหาอยากหาจินพอได้ โดยวิธีใดก็หาเอาทำมือปืดตามามองหาอัาดารได้บ่อยจับโบทุกำแหน่งตะเวนมันยั่งรีบเขินเขื่นแสวงหาไม่ได้อันใดไม่ใช่แสงใช่ง่ายมั้ยใช่ปากใช่ท้องเขาไปหาอาหารการกินก็ทำทับนองนั่นห้ามา หาบุญหากุศลเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ทํานองเดียวกันเทาสี่ได้หรือุบายได้จะรีบเร่งควนขวยแย่งหาเอายามที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาตายไปแล้วเพราะเป็นกับตะวันตกแล้วมันมองหาหน่าหลังยังบ่เห็นงานมันตะเวนมันยังอยู่หาเอาอย่างไดอันใดเป็น ท้องไปย์่ปากใปย์ท้องห้องตัวกันวัแสวงหาผู้หอดผู้หิ้วกระบวนผู้อื่นเฮาละกระบวนนี้แนวอย่างนี้กินมีเรื่องเนาะเรื่องไม่เรื่องใจแต่เท่านั่งเดียวกันแสวงหาเอาสาตร์มนุษย์พบมนุษย์เป็นพบเป็นศาสตร์ที่สุด มาพุทธเจ้าอริยะเจ้าทั่วไปทัเกิดมาเป็นมนุษย์คือเท่านี้แหละผู้ไปเป็นพระอินทร์พระพุมอยู่สวงสวรรค์เป็นเทวว่าอาลกอยู่ในที่ต่างๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก้อนผู้ไปตกนรกมอกใหม่เดี๋ยวหลอนหนหอยู่ในอบายอยพูจะเป็นมนุษย์เท่านี้อีเท่กันเดีไป ตัวสาระโมกอย่างนั่นจะเกิดเป็นเปรตเป็นลสุรกายสซติเดชชันแต่มนุษย์มันเกิดไปได้มันแฝดรไปได้พอหัวใจพอเฮาพอกำพอกเฮาสึงเขาทําทำเดือดกายเพิ่มเยียกว่ากายกรรมำทำเดือดวิชาเพิ่มเยอยกว่าวัชิกรรมทำเดือดใจคิดเดือยใจเพิ่มเยอะกว่ามโนกรรมกรรมทั้งสามอย่างนี่แหละ กรรมดีก็ออกไปจากตัวข้องเฮ้านี่กรรมชั่วก็ออกไปจากตัวข้องเฮ้านี่แล้วเฮ้าต่องการดีได้ต้องการชั่วตรวจตาที่เจอหน้าอันใดมันยังบ้านดีกันเรียบรีบปรับพุงแก้ไขให้มันดีให้มันหนี้มันเด่นขึ้นอันใดมันดีอยู่แล้วควรรักษาไหวบ่าให้มันเสื่อมมันเสียไปเฮ้ยสิ อยู่ซื่อๆค่อยหนื่อตายนั่ก็พ่อปานั่นแหะบ่ได้อันไดดอกบันเสี้นสเดือนมันบ่ค่อยข้นเอาสีรับสีนอนอยู่มันกไปตามเหลืองของมั่นบ่ค่อยว่าเจ้ายังบ้านในเฮ็ดอันนั่นท้ำอันนี้ห่อนีมันขึ้นมามันกัซายไปเองเชียงไปเองบายไปเองคำไปเองชีวิตของเฮา แต่ถ้าม่่่่่่่่่่่่่า่ิทําความดีความ่ัวความแจ่ว่่เเจีย่ความตาย่่่่่ลากเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เียเขาทำไหวแต่เป็นสมบัตรฟ้องเฮาเป็นเจ้ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลผลของกรรมดีตัวซุกทุกแล้วสนใจเหตุเสียเขาทําไหวเขาอยากไปเกิดภพหนาสะอาดหนามีความสุขความสบายมีความสวยความงาม มีสมบัติธาตุธาตุฐานเต่อฟองเงินท่องเอากระสังเอาพระพุทธเจ้าควรสอนใบมอดการแห่ท่านที่เขาเฮ็ดมาทํามาเป็นกว่าเป็นบ่อเกิดของสมบัติตายไปพูดดีเลยแห้ท่านไปเกิดพบหนาชัดหนากระโบอุดอยากยากจนทางมัเกิดเป็นคนกว่าดี นอกจากนั้นาอานิสงของชาติาสร้างไวไ้หลายแต่สามารถจะได้ไปเกิดเป็นเสดพระบุตรเสดพระธิดาอยู่ปราสาทวีม่านเอาฟ้องเงินทองบสถ์หญิงใาขาขาขาต่วิ่งเนื้อขาท้ายแสแงหาอยากได้อันใดไหลมาเองเพราะเขาได้สัส่งไวความเป็นของอานิสงของทา่าติ ผู้ที่ได้ทำไว้จะให้พน้นโอดอยากยากจนในพชาติต่อไปพน้นผีดตนี้เนืยวแนนบริสา่งอันใดไว้ม้นมีโอกาสเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อเขามั่งโอดอยากอยากจนแต่แว้งนะอันใดก็บ่ได้ตามความบุญม า, ปาทป่าชนะ ก้าวไหวในตำลับตำล่าเรื pues ่องเจ็ดทีกีกิตตนีเกิดมาบ่เคยช่ำบุญสุนท่านมีสมบัติส่างฟองหมากไหมกายฟองขนาดใดก็บ่เคยเสียเพื่อแพร่ผู้ใดมิแต่แกกินแต่ใส่เฉพาะตัวทั้งอดๆอยากๆกินหลายก็ะยาดมันหมดมันเบี่งไปกันตายไปหระ ไปเกิดในนาโกมกใหม่ฝนจากหันมาเกิดเป็นมนุษย์ในท้องคนคว้าท่านคนอดอยากอยากจนพ่อลูกคนนั่นพ่อบักอันนั้นมาเกิดในท้องอเอขอขอออ ท, งท่านั้นแะไปค้าเขาคว้าคว้างทั้งไดก็บ่ได้ไปในเกิดมูเกิดในมูคนคว้ท่านมูฝุ้งก็บครับไล่ใไหน้ามันนคนคนนั่ น, น, น, น, น, นไปน้ามันเ ใครสบาอยากไห้เคยไปควได้ควยเลี้ยงปลาเลี้ยงทองควออายอีไนน์นั้นมีทองไปนั่มบ่ได้อาศัยไปสังเกตจกของกับบ่ได้มูอเพิ่นไปทางนึงโตไปทางนึงสั้นเราบ่าไปนั่มเขาก็ยินดีไห้ขวางแม้มือกับแม่ไห้ไเพราะเลี้ยงปลาเลี้ยงทองไป จนคอดออกมาออกลูกมากเป็นผู้ใต้เหรอคุณว่าพอลูกเติบโตมากลูกไปน้าแล้วบ่วได้ก็คือว่าเขาพ่อของทงั้งหลาถ้าลูกบัวไปน้าไปจางใจแม่ก็พราะได้อยากให้ปากใสบท้องถ้าลูกไปน้าหรือมือหนังตังหิว้วหอยให้อดีสงขนาดนั่นข่วมตานีบม่มีผูดด้ใดเมตตาสงสารอดอยากอยากจนบรนไดเขาเกิ บ, บั เบตาสงสารให้พราะคว่ำแตนีสี่ตัวสร้างไหวบ่เคยทําบุญซุนท่านอันใดเลยอดอยากยากจนเกิดเป็นก้นแตเป็นตั๊กแจกร่างกายคว่ำชูคว่ำสบายบนนี่เื้อก้นที่บ่ได้สางกรรมดีเอาไหว้มันให้ผลเป็นทุกอดอยากอยากจนขันค้นสีสางคุณคว่ำดีเอาไหว้ไปสถานที่ใด ก็มีความทุกความสบายบ่ตายก็มีสน่ใ์สเห็นกั บ, ส, บสริเส้นส้มเส้ยไฟเห็นกะอยากให้เขาคองเงินทองบอ่หดสีนหดมือข่านตายไปเหลือความดีที่สางไว้ก็ได้ไปเกิดในสถานที่ดีมีส้มบัตรเป็นเสดพระบุธเรเสดพธิดา มีอานิสงส์ของท่านทำให้เกิดบัมบัดขอ ง, ของเองินทองสิ่งสี่ตัวต้องการเกิดขึ้นหของดีกะได้ของดีเป็นส่วนสอบแท่นของปานกลางก็นเลยสมบัติปานกลางคนจังหวะท่านมันมีหลายขันท่านาบารามีท่านะอุปบารามีท่านา ประวัติาสรปร า, า, ปารมนะิท่านมันมีสามขันคือขันธรรมดาสามัญกะมี่ินาท่านท่านสิบตำให้ของอยากสาลาโมกกว่าตัวสิบบริโภคครบจินสาแทกกันเนี้ยเอาวป่าถนาละ่ะไปให้ท่านเข้าปลาอาหารกับของสิบตัวพต้องการน่ะให้คนอื่นอันเปนว่าทินาท่าน จะท่านตทมสาลามกก็ตัวใส่ตัวซอยมัชฌิมาท่านท่านที่เสมอตนตัวใส่อย่างใดจะ็หายไปย่างนึง่งตัวกินย่างใดก็หายไปย่างนึง่งอันนี้สงปานกลางอุตตมาท่านไห่ของปณะติบรนจงไห่ของดิีของดีเหลือเหล่วเหลือเหล่ า, ลอลาของที่เอาไปไห่ต่อไปของดีกว ตัวใส่ตัวกินอย่างเพื่นว่าวุติมาท่านเมือเวลาใดอันนี้สงศ์กระไดหลายพอหายคลองดีนี่พุ่นคานี่ฮะเหยื่ยงของท่านสินกับซื้อกันสีนปารมีที่ <c oughs> รับอุปปารมีทีนปรมาตยปารมีที่เป็นเก้าไว้ปารมี30ทัิบถากสี่พระพุทธเจ้าเคยสัางมารักษาธรรมดา เ่ตั้งคิดตั้งใจจหงวดกวดทันอันใดรักษาไปเพราะเสียบ่ได้อันนี้สมมันกะมีน้อยรักษาเสมอกับสีวิตของตนครับมีสีวิตอยู่เมื่อใดการรักษาชีนกับรักษาไปเท่ากับสีวิตเพิว่า สี่ละอุปปาลามีคือศีลขันกลางของผู้ศรัทธาได้ต่างใจรักษาจริงจังสี่ละประมาถาปรามีรักษาขอชีวิตแม่นี่ตายก็ย่อมตายหากสี่หายิ้นมันเสียหายดางพลอยเพิ่มเดี๋ยวว่าศีลอุปอสี่ลปรมาถาปรมีอันนี้สูงมันก็นมีตาม ท, ที่เห้ารักษานะเนี่าตั้งใจหลายรักษาดีไม่ก็มีอันนี้สงหลายมีเรื่องของสาราวาัตต้องรักษาศีลให้ท่านเพื่อพบชาติต่อไปสิแจม่มใสสะดวกสบาย เรายังบานเบื่อการตายการเกิดให้ทำคุณงามความดีเอาไว้ทั้งท่านหายชินกับรักษาส่วนพระเจ้าพระสงฆ์ผู้บวชหรือนักบวชทั่วไปภาวนาเป็นเรื่องสำคัญจะต้องตั้งคิดตั้งใจทั้งว่าเราบ้างรักษาใจว่าใจใจของตัว ละชั่วบ่มเพ่นดีเสกิมจัดปัดเปล่าจีเล็บสรรหาเ ม, ามาืตตาทิิในจิตในใจให้รุดหลวงออกไปให้ใจขาวให้ใจสะอาดให้ใจบริสุทธิ์อยู่ไปใดแช่ได้ก็ดี ม, มุ่งหมันปฏิบัติใจของตัวเส่ิมความบริสุทธิ์อยู่ย่างนันเอาชีวิต เป็นแดนในการประพฤติปฏิบัติตายเถอะโบวังว่าสิมาเกิดอีกอยู่กับบวังว่าสิของสิธิตกำหลบกับทสงสารจิตอ่านใตสองในอัดในถ้ำในกรรมฐานที่คู่อาจารย์แนสอนหนนคือวาผู้ปฏิบัตินักบวชต้องปฏิบัติอย่างนั่น พอนาบวชย่อมเสียสละมาแล้วเข้าควงเงินทองบ้านช่องผัวเมียเสียสละมาทั้งนั้นเอ็นผู้บอเคยมีลูกมีเมียแต่อยู่ข้าววาดมันก็บโลดเดียวดอกสองได้บวอี่นึงกับอีนึงบวบักนึงกับบักนึงมันสีมามากมาสอบเข้าแข่เข้าสีเอามันพอได้พี่กันเข้าคงเงินทองบ้านช่อง เยียตัวไล่หน้าก่อพอหาได้บ่ชอาภับอัภจนเกิดเป็นคนมาบวชไฟตัวตายนี่ยอมเสียสละมามดเหมือมาแลว้วบวตัง้งจิตตั้งใจพอเพื่อปฏิบัติใจมันก็วกว้นขึ้นไปเป็นฆราาวาสอีกได้เหมือนห้าวพอพื่อปฏิบัติมั่นเท่นภาวนาทิเจาหน้าก็มาทานเสือครับไหล่ จิตใจที่ของจิดจิตพุงใน่ทางสั่วทางเสียจนเห็ น, ช, ห น, นชัดเจนในจิตในใจใจได้ส ง, งบใจได้เย็นใจได้เห็นได้รู้สัมผัสกับอัดกัมถมเข้าก็บออยูได้สะดวกกายสบายใจเพราะการบวชทั้งกฎหมายบัญญเมื่อพ้นกระบองบังคับอยากบวช อยากซึ้อบำบังขับบวชแล้วบวชให้ซึ้อเพื่อนก็บอกว่าซึ้อแล้วบวชให้บวชเพื่อนก็บอกว่าจะยูไปตลอดวันตายเพื่อนก็บอห้ามจะซื้อออกไปมือไดเพื่อนก็บอห้ามอีกเพื่อกันกฎหมายบอกว่าไหมใส่โทษแต่ผู้บวชเป็นผู้ที่มีโสโคกลักเพราะการบวชมีโอกาสเวล่า ที่จะได้บำเพ็ญภาวนามากกว่าาราวาสชีวิตของนักบวชอยู่โดยคนอื่นคนอื่นเขออาเอามาให้ฟ้อนทอนสบายเขาป่าอาหารตลอดทั้งที่อยู่ที่อาศัยยาแ ก, โก้โรคไข้ไข้เจ็บหากเข้ า, ข า, ขารประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามอัตถพะพุทธเจ้าสอนแล้วเป็นเอง ขอ ห, หามาให้เองหากเท่าบวประพฤติปฏิบัติตามอารตามท่ำศีลป์ระพฤติเจ้าสอนปล่อยใจเห่ไหลลงสู่ไฟตำสู่อารมณ์สัญญาจีเลตันหาอยู่ใดในวัดได้ว่ากต่เพี้ยนเ้งแจเจ๋อใจมันตัวสาลามกเป็นโจรเป็นมาน่านหาซองดาบผู้หนัน ห, นหาซองก่นผู้หนี่ฮะ เขาขี่ผู้นั้นเขาผู้ดาบผู้นี้อยู่เจ้าสั่นเน่ยมันบวชุกบวสบายไหาใจมันต่ําใจมันซ้ำเมื่อมันใจมันตัวมันเสียมันต่ามันซ้ำว่าจ่าที่พูดออกมามันจะไปในเรื่องของกิเลสตัณหาตาขยับดูหูขยับฟังในเรื่องของโลกนี่คืองก้อนศิวมีอัฐมีถ้ำนักบวชสิบว ต้องว่อนเราวงนั่งบวชสีบ่ได้สัมผัสกับอาจกับทรมอยู่ใดความประพฤติมันจะเป็นไปในทางทัวทางเสียพอใจมันเสือมันต้มใจมันหลบมันโกรธมันหลงนี่แรงดันของความทัวอยู่ภายในมันกระดันออกมาภายนอกออกมาทางกายท่ำไปในทางผิดท่ำผิดวิ น, นัยออกมาทางวิจา พูดไปในทังดิรานานา ก, กาชาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตัวสะาตามตามยางนั่นเงนสิดินล้นอยากได้คนงามความดีมกผลมัน็ก่ามีบัานมีเวลาสิประสบพบเห็นหน่พอเราบวชสั่งวอน ร, ระว่างใจของตัวเหนมันตัวมันเสียมอกนั่นผูก ค, นคน้นประสาข้นเขาเห็นทำพูด ในทางพัวทางเสียเข้า็บวเหลื่อมใช้เต็มใจที่อยากจะให้อบวเป็นเหนื่อหน้าบุญของเขาได้นักบวชที่ดีที่มีสติปัญญารักษากายว่าใจใจของตัวนั่นอยู่ในสถานที่ใดห่างไกลจากชุมนุ่มชนก่อตามก็สทรงจินไปถึงผู้จีตองการบุญเหมือนกันกับดอกไม้ อย่างบานอยู่สถานที่ใดแมงพูแมงเพิงมะู้้จักมันแสวงหาแตนั้นนักบวดจึงควรดีบเล่งแต่ทําบําเท่นทั้งร่วมกายว่าใจใจค้องตนครับไหลเหลืองซ่อมส่วนเสียต่างๆให้งตกออกไปสังนาที่จะไดหน้าอัดท่ามจีบพระพุทธเจ้าทรงสอน มันหลุ่มมันหลงไปในกลางอารมณ์สามารถที่นิพพิจ น, นาเยสาโลมานะคราท่านตาใจจโจจิวปราชาอาจารย์สอนไวเป็นสอนอยางใดเยสาคือผมอยู่บนพีนสะสังนาสเจนาขาดหลังจดถ่ถยถ้อย ท, ท, ทั้างทั้งสองจุดหมวกหูนี่เขาเรียกว่าผมเป็นเป็นเซนเกิดขึ้นในศีรษาเกิดในหัวของเห่าผมนี่แต่หากบวชสาราษะสางปล่อยเอาไว้มันงอกขึ้นมากแต่บวชตัดบวชวิ ม, มือเกิดจนกระทั่งบัดนี้ขันปล่อยไว้มันตกแก่ขีดดินหลากขิดดินมันงาว มัคือขนธรรมดาขนธรรมดานี่บอร์เงี้ยคือผมผมนี่ยเงีายเง้ยไหลผู้หญิงบางคนจงหวั่นโดนโดนมันจกหัดพกสินแผ่นบอสตาร์เที่ยงเรืยแต่เจ๊หมเกิดจนกระั่งอายุซีซีผาีซีตีี้รากดินนีดอกเดี๋ยพวกผมมันเงี้ยยางนั่นเดี๋ยวผมนั่นแผนเขาตกเขาแจ้ง เขาดัดเขาแปลงเขาสะเขาสางมันตียู่อยุคนให้ลุ่มให้หลงได้บอกว่าผมผู้หยิ่งบอว่าผมผู้สร้างผู้สร้างเขาวิ่งเขาเขาแจงผู้หยิ่งกับดินรถตะวนก็ไหาแล้วผมงามอย่างนันผมงามอย่างนี่ทำให้เกิดราคาตัญหาได้ผมผู้ยิ่งกับื้อตันใส่มันแจงส่งนันส่งนี่เขาไอ้เจ้า นุ่มตาสร้างไอ้เจ้าบ้ากลามาล้มก็ล้มได้แต่ผมนี่ขันตัดออกจากหัวเราเอาไปชิมใส่สวยใส่จานใส่อาหารการกินแหละบะมี่ผู้ได้กินได้มันสกปรกมันหอบขืนง่ามขืนแต่เือกันกรับใหม่อันอื่นผืชอันอื่นน่ะมันมีปุ๋ยมีน้ำรอเลียงมันมันจะง่ามขืนขันมันบะมี่นาเลือดนําเลี้ยง รอเลี้ยงมันแหละมันงามบ่ได้ถ้าตัดออกไปไปถิ่มไว้ใส่ก็ทาเก่าหันล่ะเมื่อกบอกมีฟงไปอีกที่มันฟงไปได้มันงอกไปได้มันงามไปได้แต่พราะมันดูดจินนําเลือดนำเลี้ยงในหัวของเท่ามันเกิดขึ้นจากของซกกระพกปฏิกูลคนจะงหอยพีเจนาแล้วมันกระบอกเป็นซกแตงปันใดรักษาปันใดซกกระโพกมันก็ซกกระพกอยู่ตามเลี่องของมันหันล่ะ ว่ามันสีฟงเสลียนฟงว่าอยู่ใดเดี๋ยวมันกเปลี่ยนสีไปสีเคยดําสนิดมันกลสีค่อยแดงค่อยเขาวออกไปเรียกว่าผมงอกผมงอกเป็นถึงบอกของความตายขึ้นวามันใกล้ตายแล้วมันง อ, อ, นงอกแต่ห้องวันดีพีเจ้าน่ะงอกมากอะหายามายอมไปอยากให้มันสวยมันงาม พอเรื่องข้อจำ ก, กันได้ิตได้ใจแต่ผููมีการได้นในใจิตได้ใจผู้สิค่อยใจในอัดในถ้อย่างพันกลาวไหวในจำแนนภาราชาเกิดมาอายุยืนนานมีนายสั่งกระบกคือภาราชา่ากูตัดผมเพื่อนอื่นสั่งกระลาบกสั่งกันบกกูตัดผมเป็นภาราชา่าเพื่อนตังไหว เมื่อไดเห็นผมเห่าหงอกให้บอกเห่าตัดผมเดือนไดก็าตามวันไดก็าตามเพื่อสร้างไหวอย่างสัตวผู้นั้นก็ตัดผมประจําในสําหนักของพระราชาตัดไปตัดมาไร้ปีเขา่าผมงอกมีขึ่นเพื่อเลย่กลาบพูดว่าผมพระเจา้าสาหอกแล้วไอ้ผู้นั้นก็เลยเอาเน็ป เท้าข้ามมาหายถอนออกมากพราะเห็นว่าเป็นโพงหงอกจริงจังเท่าห น, นีมันตายมือตายตัวนี้ว่าสิมามั่วเมาส่องสมบัตรยูยางนี่บ่ได้เราต้องไปสัง่งคุณงามความดีได้หมอบสมบัติหลาดซมบัตรทั่วไปให้ลูกใต้กอบขว้างรักษาคนก็นเลยหนีไปรักษาศีลภาวนาอยู่ในป่า พอเพิ่นวัวเพิ่นไก่มือตายนี่ผมงอกเท่านั้นเพิ่นกระสิลดสั้งเวทเห็นว่าไกล่มือตายแล้วนี้เขาไปหาภาวนาฝึกอบอมจิตใจอยู่ในปลานี่เขาเอาบตื่นเต้นเห็นหงอกเท่าไรแต่ยังไม่ยอมกันไหวเพื่อให้มันดำมันมันงามพันวะมันทํานองนั่นมันบริจิตต์อ่านวะผมหงอกเป็นเสียงบอกของความตาย กุงามความดีสิยังบ่ท่านไหลท่านมีให้ดีคว้นควายแต่ทาบำเช่นเห็นผมมันก็ตายไปแล้วตายจาดําเป็นงอกแล้วตายของเฮ้านี่มันเคยตายไปอีกคือกันมันบ่ได้จิตซ้อนคิตซ้อนใจของตัวอย่างนั่นมันได้เปิดได้เพื่อนได้กลุ่มได้หลงอยู่เรื่อยไฟนี่เรื่องการพิจารณาผมเพื่อให้มันเป็นปฏิกูลเพื่อสิบว่าให้ราคาตัญหาสาบท่า คิดของคิดใจถ้าอุปสรรอาจารย์สอนสอนไว้ให้เทาพี่ใจหน้าขนกันคื่นกันนี่แหละไม่ว่าบวสวยบองงามแต่เท้ากระหลุ่มหลงกันค้นจมวมีค้นขิวค้นตากันอีกละเพราว่าบวสวยบวชงามแต่ขนนั่นถ้าหากมันมีหลายเท่ากับว่าบวชงามอีกละถ้ามันบวมีจะเลยกับว่าบวชงามมันบ่าหลงมนุษย์เท้า ขนของเป็นของปฏิปูนเกิดมาจากนําเลือดนําเหลืองขึ้นกันเดี๋ยวขนบางแหงบางบอนอยู่ในที่ลับเหมอนถอนชิมเซอาหมอาหารเหลวออุ้ากันตายพอถือว่ามันบวสวยบวชงามบวสะอาดแต่กระหลงมันเนี่ยเรื่องของจิตมันอยู่ในที่อย่างหนึ่งไปหลงอยู่ในที่อย่างนึง ไปล่างเกียร์มันบอกสม่ำเสมอหายใจบอกเลมีอาตมีถม้ำบ่มีสติปัญญาอยู่ในทีหนึ่งเกิดรากเกิดชอบอยู่ในที่นึงโตออกมาอยู่ทีหนึงเกิดเกลียดเกิดช่างพอเราบ่มีปัญญาบ่มีธรร ม, มาในใจแต่มีธรร ม, มาในใจกับพิใจารณาได้อยู่ในสถานที่ใดกับของอันนั้นละ่ะมันมันเ้ของหยุดของ ดีเพรวิเศษประเสริฐอันใดเรียกฟันกกคือกันแย่ออกมาถิ่มใส่ได้ถ้วยในจานอาหารพ้เย็นหอยเรียกค้นตัวนี้วะท่านอาหารมันสิดีเป็นไดก็บ่อยากเท่ถิ่มแขว่ยเพืกันเนาะแซงเข้าแปลงมันกะเท้าก็สะอาดกะสะอาดตั้งแต่นอกๆนี่หอกขันแย่ออกมาอิ่ก็โอ้ยอยู่ทางในจมันจิบกันไหวจิีแปง ที่่านเข้าไปบ่ชถึงมันบว ม, มีบอลเบงมันตกกระโปงตกออกมาจากปากแล้วโ อ, อมหยุดว่ได้เอาไปให้ผู้โ อ, อมเขาก็บอโอมดอกกระดูกเฟซกระดูกไก่เขายัางอย่างย่ำกระดูกข้นแขวะข้ขขอนอยู่ไอเห็นกับร่างเลียดแต่มันตกออกมาเขาอยู่ในป่าโอ้ยแขวะมันง่ามขึ้นอย่างนี่เหรอเหลี่ยมเป็นมันผาผับเว่ามันแดงอยู่สีตายกองมันสีเป็นมันได แต่มันเหม็นอยู่หันละมันแ้งปันได้ก็ดีมันเศร้าก็หลางมันแลีงก็หลางกลางวันก็หลังอยู่ตัวหลังฝาท่านบรชหงพ้อมือสองมืออมเอาไว้บวชในสำราษสรสางอันใดปากออกมาใหญ่แห้งมันลุ่งมันหนบ่นบวมมันฟองหัมัฟองดี้องดีอีหยังหนังก็คือกันหันหละหลอกออกมาพอฟาจีนพอมือนี้เป็นจังไร เป็นตาเบิงบ่หนังนั่นเขาหล อ, อกออกมาหอยย่ำยางไว้บนรับบนนันเขาสิอยู่ได่บ่ามาปูนังปูนอนคือถ่าคือแทร่คือหนังขัดได่บ่ร่างเกียดจันย่ันกันทรัพยคนบ่มีหนังมีหนังอยู่ืิวมันเซื่อมันง่ามแต่หนังนั่นมันก็บอกมันเซื่อมมง่ามเอียงหนั ง, นง ดินดังมือมันรุดมันลนไปเถินน้ำเจียวน้าก็ล่างไหวปันญยเสี่ยวมันรังเกียดแต่มันอยู่ในตัวแต่อีกเป็นอันนึงหลุมลงกันนี่คือบอกที่ใจนะหาความจฉีงของมันมันมีแต่ใจหลงอยู่ทั้งใจหลงในเรื่องเรานักเมันกะหมดอัดหมดทำเพราะว่ามัน งามงามน้ำเขาเขาว่ามันดีก็ดีน้ำเขาจ้กมันดีอันไหนจ้งมันงามอันไหนเหือดเหนื่ออยู่นี่ตัวกับท้านองเดียวกันเถ่ะนะเป็นจชงนว่าให้พี่เจน้าเห็นมันหูจัดชาดเยนเห็นมันเห็นในจิตในใจมันบ่มีหญิงมีใต้บนไดลดอกหาพี่เหน้าเขาไปเป็นถาดแต่มันเป็นถาดอันเดียวกันหมดกำหนดเห็นมันหูในจิตในใจหรอ มันจะเป็นโลคกับวิธูรูแจ้อดีตที่ทานมาอนาคตที่ยังบวถึงรูตัวเท่านั้นในปัจจุบันคนอื่นทั่วโลกบพราว่าอดีตอนาคตต้นรูถั่วไปหมดไม่มีทั้งสงใสใจมันจังเห็นแจ้งไหนมันกานัดยินดีบ่าบอไปอีกมันเป็นไปบวชได้ใจมีอดมีธรรมมันจะให้กาหนดรักษาทพิจหน้าสําักใจ ผู้ที่เป็นนักบวชจะอยู่สุขอยู่สบายได้แต่พอใจสุขใจสบายใจบ่เป็นบาสัญญาอารมณ์ใจบ่จิตในเรื่องของตามอารมณ์สรุปเสียงกินรสสัมผัสถึงโลกเขาหลงผู้ที่ีเจนะ่า <c oughs> มีรมารในใจเป็นผู้ที่มีคุ้นคาตัวของตัวเอง เคหลุมหลงเปิดเพื่อนในเรื่องนั้นนั are ่งแจ้ใช่ไหมยังบอท่านใดภาวนาบ่ได้ฟึกจิตอบรมใจต่อมาแล้วฟึกบอบรมใจแล้วลูกเสียงจริงรดมันมีอยู่ในโลกแ่จิตใจเขาเห่ากับบลหลุมหลงบอเผิดเพื่อนโมมัวเมาในสิ่งเ่านั้นเมื่อมันบอลหลมหลงโมเมาใจมันกระสงบ ใจมันสงบมันเงี่ยงได้มันกระพองใสคื่อกันกำนามันสงบนี่มันกระใสได้ถึงมีตะกอนอยู่ตะกอนมันก็นอนกลนลงไปแันตะคอกยืดเยื้อตะเพียมยืดเยื่อยมันกระโบสงบให้ตะกอนมันก็ะร้อยขึ้นมาความใสความสะอาดมันก็ะโบมีใจของเราสงบได้ใจของเรา ร่วมได้ใจของเราก็มีพลังสามาธิพิจารณาจึ่งต่างๆให้รู้จักชัดเจนเป็นธรรมดาได้หนีใจมันบมเป็นธรรมดาให้พรออารมณ์สัญญาจิเลตัญหามันขอกคุ้นมันแผดเผามันก็เพิ่มโดยสัญญาอารมณ์นนะัน่น มันจะให้ฟึกให้รักษาให้พิใจในนารณาธรรมะเอาสติเอาปัญญาเอาตรวจตาในจิตท่องตัวอยู่สม่ำเสมอปัดกวาดขีฟุ้นขีฝอยออกไปอยู่เรื่อยมันก็สะอาดมีการมีสติปัญญาทำละใจอารมณ์สัญญาที่เป็นผิดเป็นผิยเป็นเสียนเป็นน้ำแจ้แจ้ทำเห้ มันสําระสารสางออกไปใจเขาเข้ากันสะอาดเมื่อสะอาดมั้ก็หนาอยู่หนาอาศัยชื่อนกาบ้านสะอาดครับแค่สะอาดเอกาก็นุ่งห่มสะดวกสบายบ่ขัวคนอื่นเขาสิมาจานี้ว่าเม้นสับเม้นขงอย่างหนังยางนี่บ้านเนี่ยสะอาดเข้ากันนั่งกันนั่สบายชั่กระพกโั่วโคบชั่าใดยางถึนไปเป็นห้อยคือ ดินทางบ้านโบปัดโบขวดเจ๊เคลียเนี่ยนั้นมืนก็บว่าอยากนั่งอยากเฒ่ายิ่งเข้าแจงเหนื่อแจงตัวสวยงามเท่าไรก็ยังไม่อยากเขาไปใก่ไปนั่งเพราะมันสิบเปลี่ยนเสืี่ยผาของเหง้าคิตใจของเพื่อนต่อเพื่อนปฏิบัติกต่ถ้าน้องเดียวกันแมันสะอาดสะอาดมันก็อยู่สบายเพื่อนทั้งทั้งสี่โลก มันจะเป็นอยู่ยางนี่ตาเพิ่นจะนี่หูเพิ่นก็นี่ดังเพิ่นจะนี่ปากเพิ่นจะนี่ริมเพิ่นจะนี่กายเพิ่นกะนี่บนนักบวดมันโบนี่เลยนี่คือกันกับฆราวาสนะแต่ใจคล่องเพิ่นจิตฟื้นปฏิบัตินั่นมันโบนด่หลงไปตามสัญญาอารมณ์โบนด่ติดเด็กของกับจิเลศตัญหาพอการซ้ำระ สักฟอกการสังรวมระวังคนยังอยู่ทุกอยู่สบายได้ห้องอยากทุกอยากสบายผ้ากันมันที่มีปหน้ามันศึกษามันสำลักในใจสะอาดใจสะอาดเราอยู่สบายใจชกกระพกเท่าไดก็ก่อนใหม่เดือนร้อนเท่านั้นการสำรํำลักยึดสำลัใจการฝึกปฏิบัติจึงเป็นหน้าขี่ของ นักบวชดีพ่วงกะทําบ่มเส้นเอาไว้หาใจมันทุกข์มันเย็นอ่านบอกตะทําบ่มเส้นขางมหาวัดอย่างจีเดียตัหามันรุดโร่นออกไปมันโมวิทางเนาะอยู่ไปเท่าไรปีกะโมีท่างดีรุดดีโลนจะได้ดูจนกำหลงี่่วงรักษา การรักษามันบ่หายการักษาเรามันหายได้ชีเลตันหายยังได้จิตได้ใจกับท่าน้องเดียวกันมีไหมถึงฟูสีว่า อ, อยากยู่ในโลกอีกต่อไปว่อยากเกิดอยากตายอีกต่อไปต้องใส่ความภาคความเที่ยนพยายามบังคับบรรท่าดูแลรักษาสงวนระวังจิตใจคล้องตัวยิ่งได้ี่ตัวถี่เสีย ส, สาราสาสางปล่อยไหวมันติเป็นผีเป็นไพ่ใหม่เผาตัวของตัวเองจริงใดมันติดเป็นทางทีดีมีสศรษีปัญญา <c oughs> มีวิชาควาองูกที่จะแก้ไขรักษาใจของตัวเห็นวารีิซุดกระบเรี่ยงค้นควายสะสมให้มันเกิดมันมี้ขึ้นนี่ไงซื้อวาฟูมี่ ท่ามเพียนเป็นพระได้พระโซดาบันพระเศรษฐาพราพระอานาพระอรหันเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการภาวนาว่ามันเกิดมาจากบนอื่นเกิดจากกายจากว่าจาจากใจของตัวขี่ท่ามดีเอาไว้ความตัวบความสามารถขี่จะให้เป็นพระได้พระสมัยถึงผู้ประเสริฐ ข้าอยากเผยเสด็จ อ, อยากเป็นคนยิบคนดีแต่ น, นีสเศีปญัญญาเศรษฐาความเพียรเร่งรัดปฏิบัติเขา่ า, า้าเหมือนทเป็นผู้มีความสุขความเจเริญส่วนคา ร, ราวาสภูมุ่งภพมุงชาตต่อไปอยากเกิดอยากตายอยากสบายมิความสุขในภพในชาติแต่สะสมแต่ทำบำเพ็ญย่ยางที่อธิบายมากท่าน ศีนท่านเป็นเสื่องนํำมากสึ่งโงพ่อคาทพั์ศีนนํำมาเสื่งคว่ำเสือความงามสิ่งควรท่ำภาวนานีาน้ำมาสื่งควาา่ำเสือเลี้ยวสลาดเด็ดไปท่ำไปสมัยพุทธกาลเป่นบุญดบานักบวชหรือาราวาดดอก ได้มากใได้ผลเป็นพาได้ทุกคนทฆราวาสเป็นอาหารอาหารันต์อรหันต์กะมี่เป็นอาณาคา่าสศิีท่าค่าโซ ด, ดาก็มี่พระที่เกิดขึ้นจากการฝึกหัดปฏิบัติตัวข้องตัวนั่นบนมีอุปสาอาจารย์บวชให้อาศัยสศิีปัญญาศรัทธาความเพียรแต่ทำมนเพ่้นจนเห็นจนรู้ ในจิตในใจของตัวนั่นละพระแท้พระประเสริฐเป็นสุปฏิปโนโ อ, อุสุญายะสานิจิสมควรตอนลบสมควร <c oughs> กาวหวายสมควรบูชาพระที่บวชมาจากบทจากอุป า, าอาจารหาวปฏิบัต กายว่าจจใจโค้งตัวมันก็บ่มีอันใดมีมีคุณข่าดีเด่นแตกจากฆร า, าวาสเขาเหตุนั้นมันจังกลับไปเป็นฆร า, าวาสได้ฮะกลัวดะเป็นพระในจิต ใ, ใ, ในใจจริงจังเหรอกลับไปอีกบ่ได้เหรอไปเป็นฆร า, าวาสมีไปยังใดคือการยกคนตกฐานจีเจนเหนือเจนตัวไปอาบนา้ํา สำราชาสางแจงเหือแจงตัวรู้หลายิบดีแล้วไล่มันลงไปอีกมันไม่ลงไปดอกไปในส่วนในฐานมันเน่ามันหม้นไปอีกบ่ได้เพราะมันปฏิกูลนี่เทวดาในสันสวาโลมาตัวโยดสองโยดที่ร้อยแปด่้อยเกษนมาใก่มนุษย์ก็หม้นละ กู้ทไปเกิดอยู่สวรรค์สันส่ามนุษย์เท่านี้เม้นหลายแต่มนุษย์ผู้มีศีลถ้ำเทวดาธรรมเฝ่ามารักษาพอหอมจีนศีนกินถ้ำบกฏสีธรรมะดาเม้นหลายมันก็เหม้นได้แหละนำไล่ทมออกไหวใจกระโจนไหวขันบโลรางบิเ็ษตัวผู้ตัวข้าวมื่นนึงวันนึงว่าสันไม่วันต่องคนเด็ก จมูกออกจากดังก็คือกันเงียวกับคือกันจีออกจากกลนกคือกันว่ามีอันไดหอมจัอย่างในมนุษย์เท่ า, า ป, ป, กกปันอย่งไปจูบไปกอดกันเยอะเด้อว่ามันดีมันหอมเหรอว่าหอมน่นแล้วแม่วันมันหอมของเล่าของเหม็นกิเลสมันก็หอมเรื่องของกิเลสมันบอหอมเลือข้องอัดของทํอองาทให ใจข้องเฮาตัวของเฮาดีกะเบิ้งในตัวหันลังพอจะบุไปเบิ้งบนอื่นแต่เบิ้งบบงในตัวเราเห็นความสวยความดีของตัวบเห็นบนสีละสีบำเพ็ญในตัวแต่นังทุกคนที่มาฝึกปฏิบัติมาฟังอาจฟังถ้ำก็นําไปที่มีสติใจน่ะจริงใดสิมันถูกต้องกวน ตั้งหนาตัางตาปฏิบัตสไปที่ใดที่ควรละควรถอนกับกำจัดปัดเปาไปท้าควรเข้าใจเรื่องข้ออัดข้องอ้ำรักษาตัวใดอย่างนั้นนี้แซวันสีซุปสีสจเจริญการที่บายธรรมะเห็นเราพอสมควรจะเวลาพ อ, อยุติเพียงแค่นี้เดียวัน